อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจากมิต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชส์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปมิไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้น เป็นมั่นคงบุญย่อมส่งศพ ส, สถานวิมานทองยาดูมินบาปกรรมจำนวนน้อยจักมิต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงาย รับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนโง่สั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมทรงสูนรกตกตาพลัน พระราชกิติเวทีราชตะวันน o ในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาการเข้าพรรษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดหรือนักบวชเท่านั้น แต่การเข้าพรรษานี่ความหมายกว้างไกลกว่านั้นทุกคนนะต้องเข้าพรรษาคือเข้าสู่ความดีเข้าสู่การทำบุญเรียกว่าไรบุญเข้าพรรษาเพราะคนเรานี่มีชีวิตยืนยาวได้จนกรั้งถึงทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่าบุญรักษาถือว่าเป็นโอกาสดีแล้ว ในการค้าภาษาเนี่ยเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลตัแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตลอดไปบุญเนี่ยเราทําเอาไว้เถอะไม่เสียหายมีแต่ได้มากมายแต่และ ว, วันเนี่ยเราสามารถสร้างบุญได้บางทีอาจจะไม่ต้องเสียทรัพย์เงินทองเลยก็ได้เราก็อาจจะได้บุญเช่นว่าบุญเนี่ย เกิดจากการแบ่งปั น, นหรือการให้ทานเนี่ยก็เป็นบุญนะให้วัตถุทานเป็นวัตถุทรัพยินเงินทองอันนี้ก็ถือเป็นบุญถ้าเราไม่ต้องเสียทรัพยินเงินทองเลยให้อภัยฐานนี่ก็เป็นบุญนะการให้อภั ย, ยไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยเขาใจเราก็เป็นบุญ ใจล้วก็จะเย็นพระการให้อภั ย, ยการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญศีลห้าศีลแปเราเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็ศีลห้าก็ได้ศีล8ก็ได้ศีลห้า น, นี่ระงับเวรภัยไม่เบียดเบียนคนที่เดือดร้อนศีลแ น, นี่ก็สูงก็ไปนหน่อยนึงไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าเรารักษาศินแปนะก็เลือกเอาดีทั้งนั้นการรักษาศินก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันการภาวนาสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญการอา่อนอน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณอ่อนอน้อมถ่อมตนต่อผู้มีความรู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนฝูงของเราคนเรานี่ ไม่ค่อยจะอ่อน น, อน้อมถ่อมตนนการแต่ก่อนยกมือไหวใ้ใครการอ่อนน้อมถม่อมตนเนี่ยตัวเป็นการละกิเลสตัวสําคัญเลยคือตัวมานะทิฏฐิยิงพยองไม่ยอมใครถ้าเรามีการอ่อนน้อมถม่อมตนแล้วก็เท่ากับเป็นการลดละกิเลสที่เราว่ามานะทิฏฐิหรือตัวตนเนี่ยให้ลดน้อยลงไปตัวตนเราจดน้อยลงไปเมื่อเรารู้จักไหา้อ่อนน้อมถม่อมตน การขนขวายรับใช้ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญบุญเกิดจากการขนขวายรับใช้ในกิจการของคนอื่นอันนี้สำคัญนะคืออาสาสมัครรับใช้โดยที่ไม่ต้องเรียกร้องติ้งตอบแทนปลูกยางรับใช้เจ้านายลูกหลานรับใช้พ่อแม่ปู่ย่าตายา ย, าย เราเป็นพุทธศาสนาดิฉชนรับใช้พุทธศาสนาโวนขวายรับใช้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใจเราก็จะเป็นหรือจะแพ่ความดีอุทิศส่วนกุศลจะเราไปทําความดีอะไรมาเราไปทําบุญอะไรมาแล้วก็อ้าวเอาความดีมาแพ่นะเอาบุญกุศลมาแผ่ให้เราทําบุญกุศลเราได้บุญอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาบุญนั้นมาแผ่กุศลเนี่ยกุ่นก็ได้บุญไปด้วย เนี่ยบางคนคิดว่าไอเราทําความดีมาทําบุญกุศลมาเราแพ้คนอื่นเนี่ยเราก็จะหมดบุญน่ะสิเราก็จะหมดความดีไม่ใช่หรอกท่านผู้ฟังยิ่งเราแพ้ส่วนกุศลอุทิศกุศลแพ้ความดีให้คนอื่นเนี่ยนะเรายิ่งได้บุญมากยิ่งขึ้นม่เหมือนกับเรามีคบเพลิงเราถือคบเพลิงไว้แล้วก็คบเพลิงที่มีไฟเนี่ยไปต่อกับคบเพลิงคนอื่นที่ไม่มีไฟใช่ไหม ไปก็จะมากตัวช่วงชัตวานบุญก็เช่นเดียวกันยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแผยยิ่งได้ยิ่งอุทิตเราก็ยิ่งได้อันนี้สําคัญนะใครทำความดีเราก็ยกย่องครับเราพรอยินดีกับเขาซะอันนี้ก็เป็นบุญนะบุญเกิดจากการพรอยินดีเช่นใครเอาบุญมาแผ่เราเราก็อนุโมทนาบุญเราไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนเลยนะแต่พอเห็นใครทําบุญเห็นใครทําความดี เราอนุโมทนาปลอบมือให้ยกจ้องสารเสวนมันเป็นการลดละกิเลสตัวที่ว่าอิจฉาลิสยาคนหลายคนเวลาใครไปทําบุญใครไปทําความดีเนี่ยทำไมรู้ไม่ชี้ไม่สนใจเนี่ยเราอิจฉาลิสยาเขานะแต่เราพรอยินดีเอละดีและสนับสนุนอนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาความดีเห็นก็มีความสามารถปลบมือกับเขาเนี่ยเราก็พอยได้บุญไปด้วยเขาทําความดีเราก็พรอยินดี เราก็พลอยได้บุญอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันบุญเกิดจากการพลอยยินดีกับเขาในเวลาเขาทำความดีบุญเกิดจากการฟังธรรมะถ้านผู้ฟังกำลังฟังธรรมะเรื่องที่พูดก็เป็นธรรมะถ้าเราตั้งใจฟังด้วยสติด้วยสมาธิเราก็พลอยได้บุญไปด้วยบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรมธรมะผู้ธรรมะ สมทนาทำกันก็เป็นบุญบุญเกิดจากการทำความเห็นได้ถูกต้องเขาเรียกอะไรทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นได้ถูกตรงอันนี้ก็เป็นบุญนะเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำความเห็นได้ถูกต้อง เห็นเหตุได้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นหน้ทายเป็นความดับทุกอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิบุญเกิดจากปัญญาใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องข้อที่สําคัญมากท่าความเห็นได้ถูกตรงกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นคํากลางๆนะแปลว่าความเห็นถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ เรามีความเห็นถูกต้องเช่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณกับเราจริงเห็นทุกเห็นอะไรได้เกิดทุกเห็นความดับทุกขแล้วก็เห็นทนทานความดับทุกขเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นบุญอีกประเภทหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณบ้างทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปโอ้นี่อันตรายมากนะมิจฉาทิจิเนี่ยอันตรายมากไม่มีอะไรที่จะเรีวร้ายเกินไปกว่ามิจฉาทิจิคือเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอันนี้มีฐานที่จะตกตับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์ในด้านจิตใจเราจะสังเกตว่าเรามากักจะโทษสิ่งภายนอกขาดปัญญา เหตุการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมทําให้เราต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่เรามีปัญหาบรรยากาศต่างๆถ้าไม่เรามีปัญหาเหตุการณ์บ้านเมืองมีปัญหาใจเราจึงมีปัญหาไปด้วยอันนั้นไม่ใช่นะคนนน้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่า ง, งนี้ทําให้เรามีปัญหาไปโทษคนอื่นเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกทีทุกอย่างเนี่ยมันเปลีปล่ยนแปลงเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ แต่เราลืมดูตัวเราลืมดูใจเราที่มีปัญหาเพราะว่าใจเรานี่ขาดสติขาดปัญญามองปัญหาไม่ถูกตรงกับความเป็นจริงใจเราจึงมีปัญหาอุ ป, ปมาไมอยัง ก, กล่าว่าฤดูการนี้เป็นฤดูฝนก็ย่อมมีฝนตกตามธรรมดาตกตากตกเบาตกมากตกน้อยเนี่ยเป็นดธรรมด า, ามาเก็บโทษว่าฝนนี่ตกลงมา รัวรถหลังคาเราทาให้บ้านเราเนี่ยเบียกในบ้านเนี่ยน้องไปด้วยน้ําโทษฝนแต่เราไม่เคยโทษเลยว่าเราเนี่มุงหลังคาไม่ดีนะทําบ้านไม่ดีทําให้ฝนสาดเข้ามาในบ้านได้ใช่ไฝนตกก็ไปโทษฝนแต่ไม่เคยโทษใจเราเลยว่าเราเนี่ยมุงหลังคาไม่ดีฉันใดก็ฉันนั้ น, เ, นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เข้ามากระทบทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามากระทบแล้วเนี่ยเราขาดสติปล่อยให้กิเลสมันไหลเข้ามาทางตาทางหูมารั่วรวลกิจใจให้เป็นทุกข์เราไม่เคยโทษตัวเลยว่าเราขาดสติขาดปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่มา ก, กระทบใจเลยต้องเป็นทุกข์ไม่เคยโทษใจเราเลยคนนน้นทําอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นเราอาทิติ คือความขาดปัญญาของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาขาดสติขาดปัญญาข้อนี่สำคัญมากนะการทำความเห็นได้ถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการภาวนาการภาวนาคือการเจริญสติหาให้มีสติไว้ให้รู้สึกตัวว่าอยากได้รู้เท่าทันกิเลสที่มากระทบทางตาทางหูให้กันไว้แค่นั้นไม่ให้รั่วลงสู่จิตใจของเรา เมื่อมีสติมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหายทั้งปวงว่าอ๋อนี่สิ่งที่มากระทบทั้งตาทั้งหูนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เราเป็นแค่รู้มันเ่เฉยๆอันนี้เป็นการลดละกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางแล้วก็แล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทําไป เราไม่ต้องกลับมาเวียนวหว้าตายเกิดอยู่ในโลกนี้กรเพราะเรามีสติมีปัญญาเนี่ยบุญคนนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเป็นยอดบุญเหนือทุกเลยก็ว่าได้สำคัญมากบุญอะไรก็ตามเราควรจะสั่งสมเอาไว้ทำให้มากๆทำให้บ่อยๆการสั่งสมบุญจะเป็นข้อใดก็ตามเนี่ยจะนมาซึ่งความสุข โดยเพบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยคือยอดบุญเหนือทุกชีวิตเราเนี่ยร่วงเลยมาจนทั้งถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราว่ า, านี่โชคดีละบุญรักษาชีวิตเราเนี่ยจนทั้งถึงวันนี้เนี่ยเราก็อย่าประมาสร้างสมบุญต่อไปบาปขอุตนที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปนึกถึงแล้วเราก็อย่าทําสิ่งนั้นอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็อย่าประมาท สั่งสมจับบุญไม่เสมอๆเวลาเล็กเวลาน้อยเยคนฉลาดต้องใช้ชีวิตแบบสั่งสมบุญสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีไม่ใช่เนี่ยชีวิตเราก็เติมไปด้วยบุญนัดบันเวลาเนี่ยบุญก็จะมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความสุขแล้วก็พ้นจากความทุกข์ในที่สุดก็ยกตัวอย่างสุภาสิต ท, ที่เป็นคํากลอนที่กล่าวไว้ในตอนต้นอันนักประหลาดสั่งสมบ่มบุญบ่อย ทีละน้อยทำไปมิไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งศพสถานวิมานทอง